แต่การสนทนาธรรมกันท่านกล่าวไปตามหลักธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับจิตในวงปฏิบัติมีได้กล่าวถึงขั้นถึงภูมิแห่งธรรมนั้นๆเลยว่าใดขั้นนั้นขั้นนี้เช่นได้บรรลุโสดาอรหัตไม่ว่าท่านองค์ใดสนทนาท่านรู้สึกถนัดไปตามวิสัยป่าสิมากกว่าจะเป็นวิสัยของผู้เจริญและจัดเจนในสังคมในวงปฏิบัติถ้าได้ยินท่านองค์ใด พูดแบบบ้านเมืองที่เจริญแล้วออกมาว่าสำเร็จขั้นนั้นขั้นนี้ดังนี้เพื่อนฝูงจะรู้สึกอะไรอะไรไม่สนิทใจกับท่านองค์นั้นขึ้นมาแบบพิกลและออกจะเริ่มคลายความสนิทตายใจทันทีรอกิริยาชนิดนั้นไม่มีท่านผู้ใดแม้มุ่งต่อธรรมะขั้นนั้นๆอยู่อย่างเต็มใจอาจพูดออกมาได้เนื่องจากท่านเห็นว่าเป็นธรรมะอันสูงสุดในดนแห่งธรรมะที่ท่านสมมติไว จึงพากินเทิดทูลไม่กล้าอาจเอื้อมในทางวาจาแต่มุ่งสัมผัสทางใจด้วยข้อปฏิบัติมากกว่าการแสดงกิริยาอันน่าเกลียดออกมาให้โลกเห็นแต่การแสดงออกด้วยความสําคัญว่าตนสําเร็จซึ่งเกิดจากความไม่รอบคอบแต่เจตนา ย, ยังดีอยู่ก็มีการแสดงออกเป็นอุบายวิธีจะไปเที่ยวโลกพระจันทร์พระอังคารก็มี ซึ่งเป็นเจตนาที่หยาบคายร้ายกาสิ้นดีไม่ควรจะมีในวงปฏิบัติประเภทแรกพอให้อภัยควรช่วยเหลือได้ด้วยวิธีใดต่างก็พยายามช่วยเหลือสุดความสามารถไม่ค่อยมีท่านผู้ใดรังเกียจนอกจากสงสารและช่วยตักเตือนด้วยความเมตตาเพราะเรื่องทำนองนี้อาจมีได้ในวงปฏิบัติเพราะทางไม่เคยเดินย่อมมีรู้มีลงได้ทั้งท่านและเรา ดังเคยมีมาแล้วในสมัยปัจจุบันนี้เองท่านที่ว่านี้ก็เป็นนักปฏิบัติมีความสนใจในธรรมะอย่างแรงกล้าไปบาเพ็ญธรรมอยู่ในภูเขาพอตกดึกสงัดจิตก็เกิดสงัดขึ้นมาในเวลาเที่ยงคืนท่านเองเข้าใจว่าตนสำเร็จพ ร, ระอรหันต์ไปแล้วจึงคว้าเอากลองยนัทในย่ามมาเป่าแทนนกหวีดปีดปี ด, ปด ให้สัญญาณเร่งเรียกเพื่อนๆที่ไปด้วยการมาหาในขณะนั้นเมื่อต่างตกใจรีบมาถามท่านก็บอกตามตรงว่าผมสําเร็จแล้วสําเร็จเมื่อสักครู่นี่เองนึกสงสารเพื่อนๆนจึงได้เป่านกหวีดเรียกให้มาหาส่วนจะจริงหรือเท็นั้นไม่มีใครทราบได้ขณะนั้นเพื่อนเพื่อนสององค์นึกตําหนิอยู่ภายในว่าสําเร็จแบบเป่านกหวีดเนี่ย มันอะไรกันก็ไม่รู้อิสรานเกินไปแล้วนี่แต่ไม่กล้าออกปากพูดออกมาพอเที่ยงคืนวันหลังก็ได้ยินเสียงนกหวีดดังลั่นสนัน่นภูเขาขึ้นอีกแล้วเพื่อนเพื่อนได้ยินก็นึกเอื่อมในใจว่าเปล่านกหวีดคราวนี้จะสำเร็จขั้นบ้าหรือขั้นอะไรกันอีกนะเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็สำเร็จอรหัตไปแล้วแล้วบัดนี้จะสาเร็จอะไรกันอีกก็ไม่รู้ยุ่งจริงพระอรหันต์องค์นี้ แต่ก็ฝืนใจมาเรามาด้วยกันจะทําเฉยเสียก็ดูกระไรอยู่พอมาถึงก็ถามว่าคราวนี้สําเร็จขั้นไหนกันอีกพระอรหันต์นกหวี ต, ตอบว่าก็มันไม่สําเร็จนี่ท่านเขินที่แล้วเข้าใจผิดตั้งหากเพิ่งมาเข้าใจเดียเ๋ยวนี้ว่ามันยังอยู่จึงรีบเปล่านกหวีดให้มาหาจะได้แก้ข่าวว่ามันยังไม่สําเร็จนี่มันโกหกผมตั้งหากกิเลสเนี่เก่งจริง ต่อไปนเนี้ยจะทรมานมันอย่างหนักโมโหจริงถูกกิเลสหลอกได้เพื่อนถามก็คืนที่แล้วก็ดีคืนนี้ก็ดีทําไมจึงพูดออกมาแบบพร่าๆไม่มีสติอยู่กับใจบ้างรู้อย่างไรเดี๋ยวเขาจะว่ากรรมาฐานบ้าผมน่าอายจะตายอยู่แล้วเวลาเนี้ท่านตอบว่าก็กิเลสมันหายเงียบไปนี่นึกว่ามันตายแล้วก็ต้องฉลองชัยชนะบ้างสิท่าน ด้วยการเป่านกหวีดไงล่ะแต่คืนนี้มันโผล่ขึ้นมาอีกไม่ได้ตายดังที่เข้าใจจิงรีบบอกหมู่เพื่อนอีกนะสิถ้าเป็นความสำคัญผิดแบบนี้ก็ไม่มีใครถือสานอกจากนึกคบขันและหน้าหัวราะไปธรรมดาส่วนประเภทหลังเป็นประเภทที่น่าเกลียดน่ากลัวมากแต่ผู้ชอบไปโลกพระจันทร์นั้นมักจะชอบประเภทนี้กันมาก จึงมักมีโรคพระจันท์แฝงอยู่ในวงปฏิบัติเรื่อยมาอย่างแก้ไม่ตกเฉพาะท่านอาจารย์มัน่นเท่าที่ทราบมาไม่เคยปรากฏเลยที่จะพูดพาดพิงองค์ท่านไปเกี่ยวกับมรรคผลว่าท่านได้ขั้นนั้นภูมินี้รู้สึกท่านเคารพในขั้นภูมิธรรมนั้นมากๆนอกจากจะพูดไปตามความจริงของธรรมะที่ปรากฏขึ้นกับท่านเอง แม้ที่เขียนไว้ในประวัติว่าท่านสำเร็จขั้นนั้นๆเฉพาะองค์ท่านเองก็ไม่ได้แสดงออกอย่างนั้นแต่หากเป็นเพราะผู้เขียนซึ่งเป็นคนโง่นำเรื่องท่านมาลงตามความเข้าใจที่ได้ฟังธรรมะในหลักธรรมชาติของท่านตังหะที่นำลงเช่นนั้นโดยมีความมุ่งหมายอยากให้ท่านผู้อ่านผู้ฟังได้อ่านได้ฟังอย่างถึงใจแม้ตนไม่ได้เป็นอย่างท่าน ก็พอได้อ่านได้ฟังเป็นควันใจและอบอุ่นกระตุ้นเตือนประสาทพอตื่นตนบ้างไม่นอนจมปลักอยู่โดยทายเดียวการพูดเรื่องอุบายของสติปัญญาทำการพลิกแผลงกับกิเลสและวิธีจิตที่ดันด้นบันทอนกิเลสทั้งหลายด้วยวิธีต่างๆอันเป็นลักษณะท่าทางของอาชาในานั้นยกให้ท่านอาจารย์มั่นผู้เป็นเจ้าของประวัติในสมัยปัจจุบัน โดยไม่มีทางติได้สำหรับผู้เขียนแต่ที่ท่านจะพูดว่าผมสาเร็จขั้นนั้นภูมินี้แห่งธรรมะนั้นไม่เคยได้ยินจากท่านเลยเพราะความฉลาดแหลมคมของท่านผู้เป็นเนติแบบฉบับแก่โลกสมัยปัจจุบันจึงไม่แสดงออกซึ่งสิ่งแสลงต่อหลักความดีงามแห่งพระธรรมวินยัยอันเป็นองค์แทนของศาสดาความฉลาดรอบรู้ หากเตือนให้ทราบในฐานะของศาสดากับของท่านเองซึ่งเป็นสาวกว่ามีความแตกต่างกันโดยทางสมมุติขณะที่ท่านเองก็ยังอยู่ในสมมุติโดยทางธาตุขันแม้จิตผ่านพ้นไปแล้วจึงควรยึดมาเป็นคติแก่อนุชนรุ่นท่านๆ า, นานเราๆอ่อจะมียางายติดตัวติดใจบ้างไม่เลยเธอเตลิดเปิ ด, เ ป, ดเปิง จนผู้ปฏิบัติธรรมกลายเป็นบุคคลที่น่าขยะขยแยงในสังคมที่ยังเคารพสมมุติอันดีงามทั้งหลายอยู่ความจริงผู้ปฏิบัติธรรมที่มีภูมิธรรมในใจที่น่าเคารพนับถือเพียงกิริยาที่แสดงออกก็พอทราบได้ว่าเป็นผู้ควรแก่โลกแก่ธรรมเพียงไรไม่จำต้องนำสิ่งที่น่าเอื่อมออกประกาศโลกก็เคยใช้ความสังเกตพอรู้เรื่องดีชั่วกันมาอยู่แล้ว เพราะในโลกมนุษย์พุทธบริษัทเราไม่ได้มีเฉพาะคนโง่รักษาศาสนาด้วยทายเดียวที่ควรจะนำวิธีการซึ่งนักปราชชาติอริยะจะพึงตำหนิมาใช้ประกาศศาสนาเนื่องจากวิธีที่ดีงามและละเอียดสุ ข, ขุมซึ่งเต็มไปด้วยอัฏถะด้วยธรรมะความจริงทั้งหลายที่ท่านเคยพาใช้เพื่อความราบรื่นชื่นใจแก่หมู่ชนยังไม่หายสาบสูญไปจากศาสนาและวงปฏิบัต ยังเป็นวิธีที่ทรงดอกทรงผลที่น่าเรื่อนรมชื่นตาเย็นใจแก่ผู้ได้เห็นได้ชมตลอดมาถึงปัจจุบันดังพระอัศชิอรหันท์ท่านแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรพุทธสาวกซึ่งเป็นความถ่อมตนเจียมตัวสมนามท่านที่เป็นพระขีนาศพไม่มีโลกามิตรใดเข้าไปแอบแฝงใจได้มีนยยะแห่งธรรมะที่แสดงออกในเวลานั้นว่า รูปเพิ่งบวชในธรรมวินัยใหม่ๆยังไม่มีความรู้ลึกซึ้งกว้างขวางจึงไม่อาจแสดงธรรมให้ท่านฟังอย่างพิสดารกว้างขวางได้จะขอแสดงแต่ใจความเพียงย่อๆเท่านั้นว่าธรรมะทั้งหลายเกิดแต่เหตุและดับเพราะเหตุพาให้ดับพระสมณโคดมผู้เป็นศาสดาของรูปทรงแสดงสั่งสอนอย่างนี้เพียงเท่านี้พระสารีบุตรคลังปัญญา ที่กำลังเป็นปริพาชกและกำลังยืนอยู่ระหว่างทางสองแพร่งแห่งรัที่เดิมกับพระพุทธศาสนาก็ทราบธรรมรสทันทีในขณะนั้นและยึดสายทางแห่งพุทธศาสนาเข้าสู่ดวงใจอย่างฝังลึกทันทีเรากับจะอุทานว่าได้พบเส้นชีวิตที่ฝากเป็นฝากตายอย่างสมใจแล้วจากท่านผู้มหาคุณอัสชิเทระยังไม่คาดฝัน เป็นเพียงเพศเดิมแห่งปริพาชกเท่านั้นยังปรากฏอยู่ในร่างส่วนสมณะเพศที่หนึ่งทางภายในที่ได้รับจากพระอาสิชเทระนั้นได้เป็นอริยส า, าวกผู้หนึ่งโดยธรรมชาติไปแล้วแม้เช่นนั้นปริพาชกอุปติสักยังไม่ทราบเลยว่าอาจารย์ผู้ให้กำเนิดแห่งอริยภูมิแก่ตนเป็นสมณะที่เท่าไรคือหมายถึงเป็นอริยขั้นไหน เพราะท่านพระอาสิชิมิได้สนใจกับการประกาศตนอันเป็นเพียงลมปากผ่านออกมาแล้วก็หายไปยิ่งกว่าการประกาศธรรมะของจริงให้อุปติสะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจในเวลานั้นนี่คืออริยประเพณีของท่านผู้มีความสิ้นสุดจากโลกามิตรอันมีพิษราวกับเบ็ดที่เป็นภายแก่ฟูงปลาฉนันการปฏิบัติต่ตอโลกจึงมีแต่ของอศัศจรรย์ออกแสดง กระแสเสียงและกิริยาที่ท่านแสดงธรรมแก่อุปติสาริษภาโชคครั้งนั้นแม้จะเป็นเวลานา น, านได้สองพันปีแล้วก็เหมือนอย่างกึกก้องกังวานอยู่ในโสดประสาทของชาวพุทธเราไม่ได้ร่วงรวยไปตามกาลสมัยเลยแม้อุปติสารที่ได้ถูกชุบชีวิตใหม่จนกลายเป็นพระสารีบุตรพุทธสาวกแล้วก็มิได้พยองพองอ ง, องดังที่มาปรากฏอยู่เสมอมาเลย ยังยิ่งมีความเคารพประลึกในพระคุณท่านผู้เป็นอาจารย์จนเป็นที่ปรากฏเด่นในวงพระสาวกทั้งหลายตลอดมาทั้งได้รับความยกย่องสรรเสริญจากพระบรมศาสดาด้วยว่าเป็นผู้รู้จักบุญคุณของผู้อื่นที่เคยมีเล้าแก่ตนแม้น้อยก็ไม่ได้หลงลืมดังเรื่องราษพราหมณ์เป็นตัวอย่างซึ่งได้รับการบวชเพาะพระสาวรีบุตรเป็นผู้รับอาสา ได้ด้วยความระลึกในบุญคุณที่ราธาพราหมณ์เคยนำข้าวมาใส่บาท่านทัพพีหนึ่งซึ่งถ้าเทียบกับธรรมดาของสามัญ ท, ทั่วไปก็คงไม่มีอะไรพอเป็นเครื่องระลึกได้เพราะความเป็นอัครส า, าวกเบื้องขวาอันเป็นตำแหน่งใหญ่โตรองพระพุทธเจ้าลงมาอาจบทบังลบล้างความเป็นของเล็กน้อยไปในตัวแต่ธรรมะและอัครส า, าวกผู้เป็นคลังแห่งธรรมะ จึงไม่ได้เป็นดังที่โลกมักเป็นกันคือยิ่งดียิ่งเด่นไตรไปบำเพ็ญความดีกับท่านแม้น้อยก็พลอยเด่นไปด้วยเพราะความดีของท่านพาให้เด่นทั้งนี้เพราะความดีนอกกับความดีในสมบัติภายนอกกับสมบัติภายในต่างกันการแสดงออกของผู้มีสมบัติดังกล่าวต่างๆกันจึงมีลักษณะต่างกัน ดังนั้นการสวยกับการประดับสมบัติทั้งสองนี้จึงมีความสวยงามลึกซึ้งต่างกันดังเหตุระหว่างพระอัสสชิกับพระสารีบุตรกล่าวยังเป็นอุปติสสะปริภาโชคแสดงต่อกันจึงเป็นที่ทราบซึ้งตรึงใจเพราะเป็นกิริยาของท่านผู้หมดเยื่อใหยในอามิ ท, ทั้งปวงที่โลกปรารถนากันจึงเป็นการแสดงออกที่บอกให้โลกทราบโดยนัยยะว่าท่านสมบูรณ์ทุกอย่างแล้ว ไม่มีความบกพร่องต้องการอะไรอีกแม้คำสรรเสริญเยือนย่อเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกาฝากที่คอยเกาะกินเพื่อสร้างเนื้อหนังของตัวให้เจริญด้วยการทาลายสิ่งที่ตนอาศัยให้ย่อยยับไปท่านจึงไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้ไปอาศัยเกาะกินดังที่โลกยอมตัวเป็นภาชนะของมันตลอดมาไม่มีวันอิ่มพอ ฝ่ายพระสารีบุตรซึ่งเป็นคลังแห่งมหาสติมหาปัญญากระตันยูกระตะเวทิตาเวลาประกาศคุณสมบัติของท่านผู้มีคุณแก่ตนออกมาแทนที่การประกาศความดีของผู้อื่นที่มีแก่ท่านให้โลกทราบแต่กลับเป็นการสอดแสดงถึงความเป็นผู้เด่นในคุณธรรมข้อนี้มากขึ้นเพราะการแสดงออกนั้นไม่มีความเยื่อใยเสียดายทิฏฐิมานะว่า ท่านเป็นถึงขั้นอ克拉สาวกไม่ควรแสดงคุณของท่านผู้อื่นจนเป็นการลบล้างฐานะของตนแต่กลับคว้าเอาฐานะที่น่าสงวนอย่างยิ่งนั้นขึ้นมาเป็นเครื่องรำลึกว่าสิ่งอัศจรรย์ในตัวเราเหล่านี้เกิดมีขึ้นมาได้เพราะท่านผู้อื่นช่วยอนุเคราะห์เมตตาแล้วประกาศคุณธรรมที่ได้รับจากท่านผู้นั้นให้สูงยิ่งขึ้นโดยไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้ เป็นนิสัยของคนเห็นแก่ตัวเหลืออยู่เลยด้วยเหตุนี้คุณธรรมทุกด้านบรรดาที่มีอยู่ในองค์ท่านพระสารีบุตรพุทธสาวกจึงปรากฏเด่นในวงพุทธศาสนาตลอดสมัยปัจจุบันปฏิปทาที่พระอาสชิกับพระสารีบุตรดำเนินมาจึงเป็นที่ประทับใจท่านที่หวังพึ่งผู้อื่นเพื่อเป็นเครื่องพยุงตลอดเวลาที่ยังหวังพึ่งผู้อื่นอยู่ และเธอทูลคุณธรรมนั้นไว้วนเสียงกล้าวตลอดการไม่มีวันเสื่อมคลายหายสูญไปเสียศา ส, สนาก็เจริญหัวใจคนผู้รักธรรมะและเธอทูลธรรมะข้อนี้ก็สงบเย็นเห็นความสุขในปัจจุบันทันตาท่านอาจารย์มั่นเองก็ปรากฏเด่นในทางนี้อยู่มาก เราพอทราบได้ตอนท่านพูดยกคุณท่านอาจารย์เสาขึ้นเทิดทูลอยู่เสมอโดยยกการแรกบวชและการออกปฏิบัติที่แรกที่ได้อาศัยอยู่กับท่านเรื่อยมาท่านอาจารย์เสาเป็นผู้ให้การอบรมทุกอย่างเกี่ยวกับความเป็นอยู่และความประพฤติของนักบวชตลอดการอบรมภาวนาพอมีความเข้าใจอะไรบ้างก็เพราะได้อาศัยท่านเป็นองค์แรกที่ให้กำเนิดความเป็นพระและเป็นกรรมฐานเรื่อยมา อันดับต่อมาก็พนานาคุณของคณะสัทธาญฎโยมล่าชาวป่าชาวเขาที่เคยมีคุณแก่ท่านในกราวบำเพ็ญเพียรแบบเอาเป็นเอาตายเข้าแลกกันสมัยท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่ท่านเคยไปพักที่ไหนมักจะพนานาคุณของคณะสัทธาในแถวนั้นมิได้ขาดข้อนี้รู้สึกจะเป็นนิสัยประจําองค์ท่านมีฉะนั้นคงไม่แสดงออกจนเห็นได้ชัดแก่ผู้อื่น